จึงะ ต, ตื่นขึ้นมาเราน้อมสำรวจเราแล้วรู้อย่างเราวิเคราะห์เราสังเกตเราทำความเข้าใจกับกายของเรากับจิตของเรากับภาระหน้าที่การงานของเราแล้วรู้อย่างัึงต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้จิตของเราส่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเราระงับดับได้หรือไม่เราควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ได้หรือไม่เหตุการณ์จากภายนอกมาทําให้จิตเกิดสักกี่ครั้งสักกี่อย่าง เรามีความรู้ตัวแล้วก็รู้จิตของเราได้ต่อเนื่องกันหรือไม่คือว่าสติของเราพลังเปลือเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาวางทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เช่นกันขณะนี้ถึงจะอยู่หลายคนก็ให้เหมือนกับอยู่คนเดียวให้ระลึกรู้สัมผัสทองลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราถ้าความระลึกรู้ตัวของเราต่อเนื่องเราก็จะรู้โทษฐานจิตรู้ลักษณะของจิตรู้ลักษณะของความคิดที่ผุกขึ้นมาพงแต่งจิต ได้ทุกอริยาบทไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับไถ่เราก็มันวิเคราะห์มันพิจารณาความปกติของจิตตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรสกายสัมผัสจิตของเราหรือว่าวิญญาณของเราเกิดความยินดีหรือไม่ยินร้ายหรือไม่เราต้องเป็นคนหัดวิเคราะห์คนที่จะเดินถึงกลุหมายปลายทางได้ต้องเป็นคนขยันมั่นเพียร ในการทําความเข้าใจในการสรํารวจขยันหมัน Michaels, ่นเพียรในการสร้างอานิสงส์จิตของเรามีความโลภเราก็พยายามละความโลภจิตของเรามีความตณ์นิเราก็พยายามละความตณ์นิด้วยการบริจาคด้วยการให้จิตของเรามีความอาฆาตพยาบาทเราก็พยายามละความอาฆาตพยาบาทด้วยการให้อภัยทานอโหสิกรรมจิตของเรามีความแข็งกระด้างเราก็พยายามละความแข็งกระด้างด้วยความอ่อนโยนอ่อนน้อม มันสำรวจกดตาดูตัวเราอยู่ตลอดเวลาทักวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจในชีวิตของเราว่าอะไรเป็นอร่อยพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรเราก็จะเข้าใจท่านสอนเรื่องทุกเรื่องดับทุกความทุกเกิดขึ้นที่กายนะว่าเกิดขึ้นที่จิตเราก็ต้องหาวิธีแก้ท่านสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาอะไรคําว่าอัตตาอัตตาเป็นอย่างไรคําว่าอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องทําความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเราก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความว่างเปล่า ซึงเห็นตามสภาพความเป็นจริงเราต้องหมั่นวิเคราะห์หมั่นพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลามันสร้างกระบะสร้างบา ร, รมีทั้งจะตื่นขึ้นมาจะไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนมีบุญทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนมีวาสนาได้เกิดมาแล้วก็ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวจากเด็กจนมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านการผ่านเวลาผ่านการศึกษาผ่านการเรียน ได้ทําการทํางานมีความรับผิดชอบผิดถูกทั่วดีอันนี้ก็ผ่านกันมาหมด น, นี้ก็คือการปฏิบัติธรรมระดับของสมมุติส่วนระดับที่จะเข้าไปกลายทุกทํากิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ได้เราต้องเจริญสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุทาผลทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดเหตุผลทางด้านจิตทางด้านนามธรรมาเขาก็มีอยู่มีโอกาสให้รีบธรรมให้รีบทำถือ คิดดีก็เป็นบุญทำดีก็เป็นบุญเราทำมากก็เป็นของเ ร, เราทำน้อยก็เป็นของเราแม้ตั้งแต่คนอื่นเขาได้ดีเราก็ปล่อยอนโมทนาสาธุเราก็ได้อานิสงส์ผลบุญนั้นนี่แหละอย่าไปผัดวันประกันพุ่งอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองทุกคนมีโอกาสทำความเข้าใจกับสมมติเพื่อให้เรียบร้อยทำหน้าที่ของสมมุติให้ดีเราไม่ได้ทิ้งสมมติหรอกขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ หมดลมหายใจเมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงจะได้วางสมมติเม่แต่กายจของเราเราก็ต้องได้วางขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีมีให้เป็นทําให้เป็นรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบไปอยู่ที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความสุขความเจริญและความเจลียดคร้านเพิ่มความขยันหมั่นเพียรเข้าไปให้มากๆมันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้การได้ยินได้ฟังการได้อ่านการได้ศึกษาทุกคนมีกันเต็มปิ่ม แต่การเริ่มต้นที่จะเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปดับเข้าไปชำระสังกิเลสตรงนี้แหละที่ทำกันไม่ค่อยจะได้ต่อเนื่องกันก็เลยเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางกันเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในกองบนญกองกุศลอยู่หลวงพ่อก็ภูมิใจทุกคนที่ได้พากันมาร่วมบุญมาสร้างบุญมาสร้างกุศล